สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิ ช, ชัยบานนะครับในเช้าวันอังคารนี้เราอยู่ในชุดเยซูตอนที่ห้าร้อยเก้าสิบสี่เรื่องเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระฉายพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นมีเป้าหมายสูงสุดก็คือเปลี่ยนให้เป็นเป้เปาหมายของพระเยซูรครับเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้า ศัจธรรมของพาัมพีนั้นได้เปิดดวงตาของเราให้เรารู้ครับแล้วเราตัดสินใจที่จะไว้วางใจในองค์พระบิดาเจ้าและสารศุสุขนั้นหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของพวกเราความชื่นชมยินดีก็ครอบครองจิตใจของเราตั้งแต่ที่เราบังเกิดใหม่ตั้งแต่ที่เรากลับคืนดีกับพระเจ้าเสมอมาทีนี้ครับบางครั้งนั้นชีวิตของเราก็สัมผัสถึงการทรงเตือนสติของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดความรู้สึกผิดและความละอาย นะครับและเกิดคําเตือนต่างๆเมื่อเรากําลังที่จะทําบาปพระวิญญาณได้ส่งเตือนเราพระองค์ไม่เพียงแต่ช่วยกู้เราจากบาปของเราเท่านั้นแต่ยังเริ่มต้นกระ บ, บวนการที่เกิดขึ้นในส่วนที่ลึกที่สุดครับที่เราเรียกว่าการชําระให้บริสุทธิ์เรียกว่าการชําระให้เป็นผู้บริสุทธิ์ครับพี่น้องครับคําว่าบริสุทธิ์นั้นความหมายดั้งเดิมในภาษาฮีบรูก็คือ แยกออกกับหรือ s ซ p a ร a t e นะครับหรือ s ซต apart การแยกออกพี่น้องครับเราคงจำได้ครับตอนที่พระเจ้าจะเดมิสร้างมนุษย์คนแรกตามพระฉายาของพระองค์เมื่ออาดัมและเอวากบฏต่อพระเจ้าทาบาปพระฉายานั้นได้ด่างพร้อยและเป็นบนทินแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นบางส่วนเที่ยงหลงเหลืออยู่ของพระฉายานะครับที่ กลายเป็นจิตสำนึกและมโนธรรมที่ฝังอยู่ในตัวของมนุษย์ถึงกับเมื่อไรก็ตามที่เราไว้วางใจในพระเยซูเราเชื่อในพระเยซูพระเจ้าก็ปรับเราให้เข้ากับพระฉายาของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและพระองค์ก็จะดำเนินกระบวนการนี้ครับที่เรียกว่ากระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์หรือเซนติ i ิเคชันนะครับในชีวิตของเราเวลาที่เรารับการเตือนสติจากพระเจ้า จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระชนกของพระเจ้าหรือจากผู้คนของพระเจ้าซึ่งเป็นที่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์พระเจ้าได้กาหนดเรานะครับให้เราเป็นเหมือนพระบุตรของพระองค์นั่นหมายความว่าเรานั้นขั้นควรจะมีชีวิตที่เหมือนพระเยซูครับที่เรียกว่าคริสไลท์คริสไล์คือชีวิตที่เหมือนพระเยซู ชีวิเหมือนพระเยซูนั้นจะรับการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรามีชีวิตที่เหมือนพระเยซูเรารู้จักพระเยซูดีแค่ไหนเท่าใดเราก็จะรู้ว่าชีวิตของพระองค์นั้นมีคุณค่าสมควรที่เราจะมีชีวิตเหมือนพระองค์เท่านั้นให้เรามอบความไว้วางใจให้เรามอบชีวิตของเราให้เราปรวนานตัวของเราให้กับพระเยซูคริสต์เพื่อที่เราจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อเราได้รับความช่วยเหลือให้รอดพ้นจากอํานาจเมื่อบิญญาณชั่วของความบาปทั้งหลาย แต่ยังไงก็ตามครับเรายังทําบาปอยู่ได้นะครับเรายังมีโอกาสทําบาปอยู่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทํางานนะครับพระองค์ตั้งเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเราให้พ้นจากอํานาจของบาปในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันพี่น้องครับในแต่ละวันแต่ละวันนั้นเรามีโอกาสที่จะทําบาปแต่พระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาเพื่อที่เราจะไม่ทําบาปครับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงช่วยเราให้รอดพ้นจากเงื้อมือแห่งอำนาจความบาปที่คอยฉวยเราคอยฉุดเราให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันเรามาถึงจุดที่จะต้องมองเห็นตัวเองว่าเรานั้นทํำบาปได้นะครับเรายังทํำบาปได้อยู่อันนี้คือจุดอ่อนของเนื้อหนังของเราซึ่งอาจารย์เปาโลบอกว่าเราทั้งหลายจะต้องกําจัดจุดอ่อนครับก็คือทุบตีร่างกายเนื้อหนังของเราจนอยู่มือให้มันเกิดความอดทนที่จะสามารถ คอนโทรลหรือควบคุมชีวิตของเราได้ที่จะไม่ทําบาปโดยอาศัยการเชื่อฟังเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับพี่น้องพี่น้องครับเราจะต้องเติบโตจากทารกฝ่ายวิญญาณนะครับให้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราจะต้องเห็นความชอบธรรมของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเราเราจะต้องเห็นความบริสุทธิ์เห็นชีวิตที่เหมือนกับพระเยซูปรากฏอยู่ในชีวิตของเราพี่น้องครับ การตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนั้นจะทําให้เราไม่เป็นคนขี้เกียจฝ่ายวิญญาณหรือไม่เข้าสู่ในคอมฟอร์ตโซนนั่นเองนะครับเราจะเป็นคนที่เอื่อยเฉยนะรอคอยสิ่งที่ตัวเองหวังโดยไม่ลงมือกระทํานั้นไม่ได้ครับพี่น้องนะแทนที่เราจะเป็นคนเกียจค้านฝ่ายวิญญาณหรือเอื่อยเฉยนะครับเราจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้และตัดสินใจที่จะเลือกชีวิต นะครับที่แตกต่างชีวิตที่ดีกว่าชีวิตที่ครบบริบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราถูกนับให้เป็นคนชอบทําแล้วนะครับการถูกนับให้เป็นคนชอบทํานั้นเกิดขึ้นครั้งเดียวครับไม่เกิดทําอีกแต่การชําระให้บริสุทธิ์นั้นเริ่มต้นเมื่อเราเชื่อและดําเนินต่อไปเรื่อยๆตลอดชีวิตนะครับเราอาจจะแพ้บ้างไปทำบาปนะะแต่ว่าเราต้องกลับเนื้อกลับตัวและกลับใจใ ห, ใหม่ เพื่อที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์ไม่ได้ต่อไปกระบวนการนี้นะครับทําให้เรารอดจากอานาจของความบาปในแต่ละวันครับเก้าออกจากชีวิตที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การเนินชีวิตที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางมีความชอบธรรมต่อเนื่องบริสุทธิ์ต่อเนื่องต่ อ, ต, อต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการชำระให้บริสุทธิ์นั้นจึงเป็นพระสกิตของพระเจ้าในชีวิตประจําวันของเราที่อยู่โลกนี้นะครับ เราถูกแยกไว้เฉพาะเพื่อพระเจ้าทรงใช้ครับพี่น้องครับหากว่าชีวิตของเรานั้นสกปรกมีความบาปสะสมอยู่แน่นอนครับพระเจ้าไม่ได้ใช้คนอย่างนั้นพระเจ้าต้องการภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์ครับเพื่อที่สิ่งที่ออกมาจากชีวิตหรือออกมาจากภาชนะนั้นจะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพระเาะฉะนั้นนี่คือกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับในฐานะของผู้เชื่อ ในฐานะของสาวกสิ่งต่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับมีความสําคัญมากที่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องนี้นะครับเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปครับ <c oughs> เพื่อชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปการเติบโตจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนครับการเติบโตอาจจะบ้างมากบ้างน้อยบ้างในคนบางคนไม่เท่ากันนะครับแถมบางครั้งยังมีการเสื่อมถอยอีกยังมีการท้อใจอีกขึ้นๆลงๆแต่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งบอกกับเราว่าเราจะต้องพึ่งพระเจ้าครับ เราต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจเลยครับเพราะลําพังกําลังของเรานั้นไม่มีทางที่จะทําได้เราต้องพึ่งพาฤทธิ์เดชฤทธิ์อํานาจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการชําระเราให้พ้นจากการอธรรมให้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราจากความบาปดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆทีนี้รรรครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีสิทธิ์ที่อํานาจใหม่นะครับคนที่ครอบครองชีวิตของเรานั้นคือพระเจ้าครับนะพระเจ้าจะช่วยเรานะครับ ที่เราจะไม่ตามใจตัวเองพระเจ้าจะช่วยเราให้เรามีความรังเกียจหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่จะไม่ถูกครอบงําด้วยบาปครับพี่น้องเคยได้ยินคาพยานของหลายหลายคนนะครับเวลาที่เขาจะอดบุหรี่เนี่ยนะครับพระเจ้าช่วยเขาอย่างอัศจรรย์นะหลายหลยคนที่อดบุหรี่ได้นะครับด้วยการพึ่งพาในฤทธิอานาจของพระอพญาสุษย์พ่อพญานบนุษย์ทําให้บุหรี่นั้น <c oughs> จากหอมกลายเป็นเหม็นเลยครับพี่น้องเล่าก็เหมือนกันครับจากรสชาติที่นุ่มนวลจากรสชาติที่เคยสร้างความพึงพอใจกลายเป็นรสชาติที่น่ารังเกียจกลายเป็นรสชาติที่น่าขยะแขยงความบาปหลายอย่างครับที่มนุษย์ได้ตกเป็นทาสของมันหลังจากที่คนคนนั้นบังเกิดใหม่แล้วพระเาปบสุดช่วยเขาครับให้สิ่งที่ดูเหมือนดี ดูเหมือนสวยงามกลายเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังเพราะความบาปจริงๆแล้วเป็นที่น่าเกลียดน่าชังครับพี่น้องพี่น้องครับเราติดตามพระเยซูนะครับเราต้องมีเป้าหมายครับเราต้องมีวัตถุประสงค์ในการติดตามพระเยซูนะครับเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นจะรับพรและเพื่อที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่นๆข้าม พ, พีกล่าวถึงเรื่องนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นการชำระตัวให้สะอาดทุกๆวันครับ จากการดำเนินชีวิตที่เราต้องออกไปเจอกับโลกนะครับเป็นมนทินเพราะเนื่องจากว่าไปสัมผัสกับโลกมากการสัมผัสกับโลกมากนั้นทําให้ชีวิตของเรานั้นจะต้องมีภูมิคุ้มกันโรคครับการสัมผัสกับเชื้อโลกเชื้อบาบเราจะต้องจําเป็นที่ต้องมีภูมิคุ้มกันนั่นคือคพระคัมภีร์และพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ เพียงครับเราอาจจะถูกย่อเย้ยเราจะอาจจะถูกขับออกจากบ้านเราอาจจะถูกสังคมดังเกียจและพวกมาเธอทั้งหลายก็คือผู้ผลิตชีพเพื่อพระคริสต์นั้นเขาถูกฆ่าตายเนื่องจากติดตามพระเยซูเนื่องจากปรารถนาที่จะมีชีวิตดำเนินอยู่ภายใต้การทรงนำภายใต้ข้ามหาบัญชาของพระเยซูสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่พวกเขาจ่ายด้วยชีวิตขับจ่ายด้วยราคาสูงยิ่งเพราะฉะนั้น ผมอยากจะหนุนใจพวกเรานะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยคุณและผมจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในทุกๆวันครับไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าอยู่ในโรงเรียนอยู่ในสถาบันไหนอยู่ในบริษัทไหนอยู่ในองค์กรไหนหรือแม้กระทั่งอยู่ในโบสถ์ครับเพียงครับเราจะต้องตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้อง มีชีวิตที่บริสุทธิ์เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่อที่จะเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อที่ปากของเรานะครับประกาศพระกิตติกุลของพระเจ้าที่มือของเราจะไม่ทําบาปขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องและรวมทั้งผมด้วยทุกๆ ท, ท่านให้ได้มีความรับผิดชอบต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราในทุกๆวันด้วยการพึ่งพาพระเจ้าพระ้ิญญาณบริสุทธิ์อาเมน